อันตาคาเหกกะทิฐินิเทศแสดงอันตาาักคาเหกกะทิฐิอันตักคาเหกกะทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าสิบอย่างเป็นอย่างไรคืออันตัคาเหกกะทิฐิว่าโลกเที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไหร่อันตักคาเหกกะทิฐิว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน ที่ว่ากับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอันตักคาหิกระทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่มีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรเคืออันตักคาหิกระทิฏฐิว่าโลกเทียม มีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างอันตะคาเหตกะทิฏิว่าหลังจากตายแล้วตถาคดเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่มีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างอันตะคาเหตกะทิฏิว่าโลกเที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรเพือทิฏิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นโลกและเป็นของเที่ยงทิฏินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาหหกะทิฐิทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะคาเหกะทิฐิว่าโลกเที่ยงเป็นอาการที่หนึ่งอันตะคาเหกะทิฐิเป็นม ah ิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่า เวทนาเป็นโลกและเป็นของเทียมสัญญาเป็นโลกและเป็นของเทียงสังขารเป็นโลกและเป็นของเทียมทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณเป็นโลกและเป็นของเทียงทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตักายะทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอน living living ันตรคาิกะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงเป็นอาการที่ห้าอันตรคาิกะทิฏฐิเป็นมิชาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิอันตรคาิกะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตรคาิกะทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไร คือทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นโลกและเป็นของไม่เทียงทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตักกายะทิฏฐินี้เป็นอันตักกายะทิฏฐิว่าโลกไม่เทียงเป็นอาการที่หนึ่งอันตักกายะทิฏฐิเป็นมิชาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่า เวทนาเป็นโลกและเป็นของไม่เทียมสัญญาเป็นโลกและเป็นของไม่เทียมสังขารเป็นโลกและเป็นของไม่เทียมทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณเป็นโลกและเป็นของไม่เทียงทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายะกะทิฏฐิอันตคายะกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ อันตะคายกะทิฏิว่าโลกไม่เที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตะคายกะทิฏิว่าโลกมีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเขียวให้เป็นอารมณ์แพรไปสู่โอกาสนิดหน่อยเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดกลมจึงมีความหมายรู้ว่าโลกมีที่สุดทิฏิ คือความยึดมั่นถือมั่นว่ากระสินที่แผลไปเป็นวัตถุและเป็นโลกจิตที่เป็นเหตุให้กระสินแผไปเป็นอัตตาและเป็นโลกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาายกะทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะคลายกะทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดเป็นอาการที่หนึ่งอันตะคาเหกะทิฐิเป็นมิชาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิบุคคลบางคนในโลกนี้ทําสีเหลืองให้เป็นอารมณ์แผ่ไปทําสีแดงให้เป็นอารมณ์แผ่ไปทําสีขาวให้เป็นอารมณ์แผ่ไปบุคคลบางคนในโลกนี้ทําแสงสว่างให้เป็นอารมณ์แผ่ไปสู่โอกาสนิดหน่อยเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า โลกนี้มีที่สุดกลมจึงมีความหมายรู้ว่าโลกมีที่สุดทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าประสินที่แผ่ไปเป็นวัตถุและเป็นโลกจิต ท, ที่เป็นเหตุให้ประสินแผ่ไปเป็นอัตตาและเป็นโลกทิฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายกะทิฐิอันตะคายกะทิฐิว่าโลกมีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้ อันตกคาเหกกะทิถิว่าโลกไม่มีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเขียวแผ่ไปสู่โอกาสกว้างเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดมิได้จึงมีความหมายรู้ว่าโลกไม่มีที่สุดทิถิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากรสินที่แผ่ไปเป็นวัตถุและเป็นโลก ทิตที่เป็นเหตุให้ประสินแผลไปเป็นอัตตาและเป็นโลกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาหกระทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะคาหกระทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดเป็นอาการที่หนึ่งอันตะคาหกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิบุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเหลืองสีแดงสีขาวบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแสงสว่างแผ่ไปสู่โอกาสอันกว้างเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดมีได้จึงมีความหมายรู้ว่าโลกไม่มีที่สุดทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากระสินที่แผ่ไปเป็นวัตถุและเป็นโลก จิตที่เป็นเหตุให้กระสินแผรไปเป็นอัตตาและเป็นโลกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายกะทิฏฐิอันตะคายกะทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตะคายกะทิฏฐิว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไร คือทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นชีวะและเป็นสริระชีวะอันใดสริระก็อันนั้นสริระอันใดชีวะก็อันนั้นทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายกะทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะคค่ะทิฐิว่าชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันเป็นอาการที่หนึ่งอันตะคค่ะทิฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยแต่ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนาเป็นชีวะและเป็นสริระสัญญาเป็นชีวะและเป็นสริระสังขารเป็นชีวะและเป็นสริระ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณเป็นชีวะและเป็นสรีระชีวะอันใดสรีระก็อันนั้นสรีระอันใดชีวะก็อันนั้นทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะใครท่ทิฏฐิอันตะไครท่ทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้ อันตะคายกะทิฐิว่าชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรเคอทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นสรีระไม่ใช่ชีวารูปนั้นเป็นสรีระชีวากับสริระเป็นคนละอย่างกันทิฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายกะทิฐิทิฐิไม่ใช่วัตถุ วัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตรคายะทิฏฐิว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันเป็นอาการที่หนึ่งอันตรคายะทิฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นจังโยชนแต่ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนาเป็นสริระไม่ใช่ชีวะ สัญญาเป็นศรีระไม่ใช่ชีวะสังขารเป็นศรีระไม่ใช่ชีวะทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณเป็นศรีระไม่ใช่ชีวะวิญญาณนั้นเป็นศรีระชีวะกับศรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะไคยกะทิฏฐิอันตะไครกะทิฏฐิว่าชีวะกับศรีระเป็นคนละอย่างกัน มีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตักพาฮิกะทิฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรเคือทิฉิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกบ้างดำรงอยู่บ้างเถอคำเนิดบ้างบังเกิดบ้าง ทิฏฐิน hmm. ั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะกายะทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะกายะทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีเป็นอาการที่หนึ่งอันตะกายะทิฏฐิเป็นมิชาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ พิธิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนสัญญ า, ต, ญญ า, ต, า, ญญาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนสังขารต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนพิธิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกบ้างดำรงอยู่บ้างเถอกำเนิดบ้างบังเกิดบ้าง ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายพระทิฏฐิอันตะคายพระทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตะคายพระทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็มีมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรคือทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่า รูปต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนหลังจากตายแล้วทาโคตรย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่เกิดอีกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะครายพระทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอันตะคาะทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้วตาคตไม่เกิดอีกก็มีเป็นอาการที่หนึ่งอันตะใครกะทิฐิเป็นไม่ชาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยตแต่ไม่เป็นทิฐิทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนสัญญาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนสังขารต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอน ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แน่นอนหลังจากตายแล้วตถาคตย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่เกิดอีกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตัคาหิกะทิฏฐิอันตัคาหิกะทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้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 อันตักใครกะทิฐิทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึง่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึง่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นอันตักใครกะทิฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีเป็นอาการที่หนึง่งอันตักใครกะทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิ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 ไม่เสดอีกก็ไม่ใช่มีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อันตากายกะทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าสิบอย่างนี้อันตากายกะทิฐินิเทศที่เจ็ดจบ ปุพพันตานุทิฏฐินิเทศแสดงปุพพันตานุทิฏฐิปุพพันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการส8บแปดอย่างอะไรบ้างคือ ส, สัตะวาทะลัตธิที่ถือว่าอัตตาและโลกเที่ยงมีสีลัตธิเอกระจะ ส, สัติกะวาทะลัตธิที่ถือว่าบางอย่างเที่ยงมีสีลัตธิอันตานันติกะวาทะ ลัทธิที่ถือว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมีสีลัทธิอมราวิวเคปิกะวาทะลัทธิที่พูดหลบเลี่ยงไม่แน่นอนตายตัวมีสีลัทธิอธิจะสมุ ป, ปันนิกระวาทะลัทธิที่ถือว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยมีสองลัทธิปุพพานุทิฏฐิในความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างนี้ อุพันตานุทิฏฐินิเทศที่แปดจบ 9. อาอปรันตานุทิฏฐินิเทศแสดงอปรันตานุทิฏฐิอปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสี่สิบสี่อย่างอะไรบ้างคือสัญญีวาะะทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญามีสิบหกลัทธิอสัญญีวาทะ ลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญามีแปดลัทธิเนวสัญญีนาสัญญีวาทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีแปดลัทธิปุเชทวาทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์มีเจ็ดลัทธิทิฏฐธรรมนิพานวาทะ ลัทธิที่ถือว่ามีสภาวะบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันมีห้าลัทธิอปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสี่สิบสี่อย่างนี้อปรันตานุทิฏฐินิเทศที่9ก้าจบ 12, สิบถึงสิบสองสัญญยชนิกาทิทิฏฐินิเทศแสดงสัญญยชนิกาทิทิ สัญโยชนิกาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งการตกอยู่ในทิฐิสองความรคชัดคือทิฐิละถึงสิบเจ็ดความยึดมั่นคือทิฐิสิบแปดความถือมั่นคือทิฐิ 3. สัญโยชนิกาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างนี้มานาวินิพันธาทิฐิว่าเป็นเรา มีความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างเป็นอย่างไรคือความยึดมั่นถือมั่นว่าจะขูเป็นเราชื่อว่ามานวินิพันธาทิฐิว่าเป็นเราทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นมานวินิพันธาทิฐิว่าเป็นเราเป็นอาการที่หนึ่ง มานวินิพันธาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสั่งโยน์แต่ไม่เป็นทิฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าโสตเป็นเราชื่อว่ามานวินิพันธาทิฐิว่าเป็นเราความยึดมั่นถือมั่นว่าคานะเป็นเราชิวหาเป็นเรากายเป็นเรามโนเป็นเรารูปเป็นเราธรรมารมเป็นเราจักขวิญญาณเป็นเรา ความยึดมั่นถือมั่นว่ามโนวิญญาณเป็นเราชื่อว่ามานวินิพันธาทิฏฐิว่าเป็นเราทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นมานวินิพันธาทิฏฐิว่าเป็นเราเป็นอาการที่สิบแปดมานวินิพันธาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ มานวินิพพานธาติฐิว่าเป็นเรามีความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างนี้มานวินิพพานธาติฐิว่าของเรามีความยึดมั่นด้วยอาการสิบแปดอย่างเป็นอย่างไรคือความยึดมั่นถือมั่นว่าจักรของเราชื่อว่ามานวินิพพานธาติฐิว่าของเราทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นมานวินิพันธาทิฐิว่าของเราเป็นอาการที่หนึ่งมานวินิพันธาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นจางโยชนแต่ไม่เป็ น, นทิฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าโสตะของเราชื่อว่ามานวินิพันธาทิฐิว่าของเราความยึดมั่นถือมั่นว่าคานะของเราชิวหาของเรา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 มานาวินิพันธาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิมานาวินิพันธาทิฐิว่าของเรามีความยึดมั่นด้วยอาการสิบปอย่างนี้สัญญชชนิกาธิทิฐินิเทศที่ส0บถึงสิบสองจบส3อัตวาทะปฏิสังยุตตทิฐินิเทศแสดงอัตวาทะปฏิสังยุตตทิฐิ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 ปุตุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปทวีกสินพิจารณาเห็นโอทาตะกสินโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นโอทาตะกสินและอัตตาไม่เป็นสองว่าโอทาตะกสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทาตะกสินก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโคลงอยู่ บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองชันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นโอทาตะกสินโดยความเป็นอัตตานี้เป็นอัตวาทปฏิสังยุตติทิมีรูปเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งอัตวาทปฏิสังยุตติทิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิอัตวาทปฏิสังยุตติทิ มีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้อัตวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศที่สิบสามจบสิบสี่ 14. โลกวาธทะปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศแสดงโลกวาธทะปฏิสังยุตตทิฏฐิโลกวาฒทะปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการแปดอย่างเป็นอย่างไรคือความยึดมั่นถือมั่นว่า อ, าากกอัตตาและโลกเทียม ชื่อว่าโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฐิทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฐิเป็นอาการที่หนึ่งโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยง ช w w a, contexto, ื่อว่าโลกวาทปฏิสังยุตติทิฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาและโลกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีอัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่อัตตาและโลกมีที่สุดก็มีอัตตาและโลกไม่มีที่สุดก็มีอัตตาและโลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ ไม่มีที่สุดก็ไม er. er. well, kind of ่ใช er. ่ชื่อว่าโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐิเป็นอาการที่แปดโลกวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการแปดอย่างนี้โลกวาทปฏิสังยุตตทิฐินิเทศที่สิบสี่จบสิบห้าถึงสิบหภาวะวิภวะทิฐินิเทศแสดงภวะวิภวะทิฐิความยึดมั่นด้วยการติดอยู่เป็นภวะทิฐิความยึดมั่นด้วยการเล่นเลยไปเป็นวิภวะทิฐิ อาชาทิถิมีความยึดมั่นด้วยอาการสาสิหอย่างเป็นภวะทิฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิฐิเท่าไรอาตาณุทิถิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นภวะทิฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิฐิเท่าไรโลกวะทัตปฏิสังยุตตทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการแปดอย่างเป็นภวะทิฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิถิเท่าไร เ okay. at ื่ออาชาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสาสิบห้าอย่างเป็นภวะทิฐิก็มีเป็นวิภวะทิฐิก็มีอัตานุทิติมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นภวะทิฐิสิบห้าเป็นวิภวะทิฐิห้ามิชาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบอย่างเป็นวิภวะทิฐิทั้งหมดสักกายทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่าง เป็นภาวะทิฏฐิสิบห้าเป็นวิภว alright, ะทิฏฐิห้าสัจจะทิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบห้าอยา่างเป็นภวะทิฏฐิทั้งหมดอุเชต ท, ทิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอยา่างเป็นวิภวะทิฏฐิทั้งหมดอันตะคายกะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอยา่างเป็นภวะทิฏฐิทั้งหมด อันต <departed> ักพายกาทิฐิว่าโลกไม่เที่ยงมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นวิภาวะทิทิทั้งหมดอันตักพายกะทิทิว่าโลกมีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นภาวะทิทิก็มีเป็นวิภาวะทิฐิก็มีอันตักพายกะทิทิว่าโลกไม่มีที่สุดมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นภวะทิฐิก็มี เป็นวิภาวะทิฏฐิก็มีอันตักคายกะทิฏฐิว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นวิภาวะทิฏฐิทั้งหมดอันตักคายกะทิฏฐิว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นภวะทิฏฐิทั้งหมดอันตักคายกะทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก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 เป็นวิภาวะทิฏฐิก็มีอปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสี่สิบสี่อย่างเป็นภวะทิฏฐิก็มีเป็นวิภวะทิฏฐิก็มีสัญโยชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบปดอย่างเป็นภวะทิฏฐิก็มีเป็นวิภวะทิฏฐิก็มีมานาวินิพันธาทิฏฐิว่าเป็นเรามีความยึดมั่นด้วยอาการสิบปดอย่าง <Jub ilee> เป็นวิภาวาทิฐิทั้งหมดมานะวินิพันธาทิฐิว่าของเรามีความยึดมั่นด้วยอาการสิบปดอย่างเป็นภวะทิฐิทั้งหมดอตตวะทปฏิสังยุตตาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นภวะทิฐิสิบห้าเป็นวิภาวทิฐิห้าโลกวาทปฏิสังยุตตาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการแปดอย่างเป็นภวะทิฐิก็มี เป็นวิภาวะทิฏฐิก็มีทิฏฐิทั้งหมดเป็นอาตานุทิฏฐิเป็นมิชฌาทิฏฐิเป็นสกายทิฏฐิเป็นอันตะคายิกทิฏฐิเป็นสัญโยชนกาทิฏฐิเป็นอัตวาทปฏิสังยุตตะทิฏฐิชนเหล่าใดกล่าวโดยการฆ่าคเนยึดถือทิฏฐิทั้งสองเพอภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิยานในนิโรทย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านั้น จัตโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมีสัญญาวิปริตว่าเป็นทุกข์ในนิโรธที่เป็นสุกใดในนิโรธนั้นไม่มีญาณเพราะมีสัญญาวิปริตว่าเป็นทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ผู้ถูกทิฐิสองอย่างนี้กลุ่มรวมแล้วพวกหนึ่งติดอยู่พวกหนึ่งแล่นเลยไปส่วนผู้มีจักสุยอมเห็นเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งติดอยู่เป็นอย่างไร เือเทวดาและมนุษย์ผู้ชอบพบยินดีในพบบันเทิงอยู่ในพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมแล่นเลยไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับพบภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งติดอยู่อย่างนี้เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปเป็นอย่างไรคือเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งอึดอัดระอารังเกยียพบ ยินดีปราถนาวิพภว่าชาวเราเอ๋ยได้ยินว่าเมื่อใดอัตาหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูญย์พินาศไปเมื่อนั้นอัตตาหลังจากตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นความไม่เกิดอีกนี้ละเอียดปราณีตามที่มีภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปอย่างนี้ส่วนผู้มีจักสุย่อมเห็นเป็นอย่างไร เพื่อพิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นภูตะโดยความเป็นภูตะครั้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนักเพื่อดับภูตะภิกษุทั้งหลายผู้มีจักสุย่อมเห็นอย่างนี้ถ้าพิกษุใดเห็นภูตะโดยความเป็นภูตะและก้าวร่วมภูตะได้แล้วย่อมน้อมไปในธรรมตามความเป็นจริงเพราะความหมดสิ้นแห่งภวะตัหา ภิกษุนั้นกําหนดรู้ภูตะได้แล้วปราศจากตัญหาในภพน้อยภพใหญ่ย่อมไม่มาสู่ภพใหม่เพราะไม่มีภูตะดังนี้บุคคลสามจำพวกมีทิฐิวิบัติบุคคลสามจำพวกเมธิทิสมบัติบุคคลผู้มีทิฐิวิบัติสามจำพวกไหนบ้างคือ1หนึ่งเดรธีสองสาวกของเดรธีสบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ บุคคลสามจำพวกนี้มีทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติสามจำพวกไหนบ้างคืองหนึ่งพระธถาคตสองสาวกของพระธถาคตสบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติสามจำพวกนี้นรชนใดเป็นคนมักโกรธผูกโกรธมีความลบหลู่อันชั่วร้ายมีทิฏฐิวิบัติเจ้าเล่ พึงรู้จักนรชนนั้นว่าเป็นคนเลวนรชนใดไม่เป็นคนมากโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์มีทิฏฐิสมบัติมีปัญญาพึงรู้จักนรชนนั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐ ด, ดังนี้ทิฏฐิวิบัติสมประการทิฏฐิสมบัติสามประการทิฏฐิวิบัติสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ทิฏฐิวิบัติว่านั่นของเราสองทิฏฐิวิบัติว่าเราเป็นนั่นสทิฏฐิวิบัติว่านั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิวิบัติสามประการนี้ทิฏฐิสมบัติสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งทิฏฐิสมบัติว่านั่นไม่ใช่ของเราสองทิฏฐิสมบัติว่าเราไม่เป็นนั่นสทิฏฐิสมบัติว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ทิฏฐิสมบัติ3ามประการนี้การถือว่านั่นของเราเป็นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดอันไหนการถือว่าเราเป็นนั่นเป็นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดอันไหนการถือว่านั่นเป็นอัตราของเราเป็นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดอันไหน การถือว่านั่นของเราเป็นปุพันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิสิบปทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอดีตการถือว่าเราเป็นนั่นเป็นอปรันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิสี่สิบสี่ทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอนาคตการถือว่านั่นเป็นอัตตาของเราเป็นอัตานุทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบ เป็นสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบทิฏฐิหกสสองมีสักกายทิฏฐิเป็นประธานทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอดีตและส่วนอนาคตภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีความเชื่อในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้ห้าจำพวก และโลกนี้แล้วจึงสําเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนสําเร็จในโลกนี้คือหนึ่งสัตตกคตุปรมโสดาบันสองโกลังโกละโสดาบันสามเอกพีชีโสดาบันสี่พระสกะทาคาเมห้าพระอรหันในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกนี้สําเร็จในโลกนี้ บุคคล5จำพวกไหนละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จคือ 1. อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 2. อุปหัจจะปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 3. อสังขาระปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 4. สังขาระปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 5. อุทังโสโตโอภินิธาคามีอนาคามีบุคคล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 บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้ห้าจำพวกละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนสำเร็จในโลกนี้คือหนึ่งสัตตะขัดตุปรรมโสดาบันสองโกลังโกละโสดาบัน สาเอกภพีชีโสดาบันสพระสกะทาคามีหพระอรหันต์ในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกนี้สำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกไหนละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จคือหนึ่งอันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 2. อ, อุปหัจจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล สามสังขาระปรินิพพายีอนาคามีบุคคล 4. สี่สังคาระปรินิพพายีอนาคามีบุคคลหอุทังโสโตโอกคนิฐักามีอนาคามีบุคคลบุคคลห้าจำพวกนี้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้มีความลืมใส่ไม่คลอนแคลนในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเหล่านั้นห้าจำพวกนี้สำเร็จในโลกนี้ห้าจำพวกนี้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จภาวะวิภวะทิฏฐินิเทศที่สิบห้าถึงสิบหกจบทิฏฐิกระถาจบ